ทีนี่อย่างนี้สัญญาบ้างเลยเนี่ยไงอย่างนี้สัญญาเนี่ญญยไงดีใจเสียใจก็เฉยเฉยนะยังพอได้บ้างแต่อย่างนี้สัญญานะเป็นยังไงสัญญาการบ้างไง นี่สัญญานะนึกไม่ออกเลยนะส่ อ, อสเสือบรรนากาศดับเบิลยอหญิงส ะ, สะอาด <c oughs> จำได้ไหมรู้จำว่ายังไงอันนั้นสัญญานี่ถ้าว่าโดยทั่วทั่วไปก่อนก็สัญญาหก <c oughs> นั่นนะรูปประสัญญาเนี่ยนั้นนะ สัทธะสัญญาคันธะสัญญารสะสัญญาโพธพะสัญญาแล้วก็ธรรมะสัญญาเนี่ยรูปประสัญญาคือความสำคัญหมายในรูปว่าสีเขียวสีขาวสีเหลือง สีดำสีแดง น, นะก็ว่าไปตามนั้นๆไปนั่นะในกระววนนี้รูปประสัญญานะสีขาวสีเขียวสีเหลืองทั้งหลายแหละแต่ถ้าเอ้าคนนี้ชื่ออย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นอะไรโดยโวหารโวหารหรือบัญญัติอันนี้เป็นธรรมสัญญา เนีย่ยนะถ้าออกเสียงว่ามายัางไงไขนนะคลื่นสูงหรือต่ำขนาดไหนอันนั้นเป็นสัทธะสัญญาเนีย่ยนะเช่นก่อนเช่นแรกเห็นก่อนนะรูปประสัญญาก็ดูเลยเห็นผู้การธนัตประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างเนีย่ยนะถ้าไม่มีสีเหล่านี้นะถ้าไปเปลี่ยนสีมาเลยเนี่ยนะจะรู้ได้ไ้ยว่าเป็นไงไม่ได้ต้องอาศัยรูปประสัญญาก่อนนะสัญญาในสีเช่นสี สีที่ว่าเ น, นี่ยอาจจะเป็นของผมเล็บฟันหนังเนื้ออะไรก็ว่าไปอันน้สัญญาเสร็จ แ, แล้วโวหารว่าอย่างไงโวหารภาษาเรียกว่าโวหารหรือบัญญัติว่าอย่างไงที่เป็นธรรมสัญญาแล้วออกเสียงมาเรียกชื่อมาเล ย, อ, ยอันนี้เรียกอาศัยสัญญ า, าก็เป็นรูปสัญญาธรรมสัญญาแล้วก็สัทธสัญญาเปล่งเสียงออกมานนเสียงเป็นยังไงออกมา คือโดยทั่วๆไปแล้วสัญญานั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงในทวารตาจึงจะเห็นชัดนะอาศัยสีทั้งหลายแล่นี่นะสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงน้ําเงินอะไรก็ว่าไปก็สีที่เห็นเหล่านี้มาประชุมเร็มกันแล้วโวหารบัญญัติว่ายัางไงแล้วเปล่งเสียงออกให้มันเป็นสัญญาว่ายังไงถ้าไม่ได้เรียนเรื่องสัตว์ถสัญญามาก็ออกเสียงไม่ถูกไม่ออกชื่อไม่ถูกในสิ่งนั้นๆเพราะพวกนี้ก็ต้องอาศัย สัญญาที่ที่สัมพันธ์กันตั้งหลายเรื่องนะแต่ชั้นแรกๆเลยก็คือรูปสัญญาก่อนทีนี้ในตัวสัญญาจริงๆแล้วพัฒนาได้สูงมากเนี่ยตัวสัญญานะพัฒนาเป็นจิตสิกขาตรงๆเลยเช่นสีขาวภาษาบาลีว่าไงจังไคยสอนสีขาวโอทาตะสีเหลืองไงปีตะกะ สีสีเขียว <Okay. S 1> นีละนีนะ่สีแดงโลหิตโลหิตะนี่นี่นะนนะแบ่งเป็นระดับเขาเรียกว่าอุปจาระอัปปนา เพราะฉะนั้นในสายชาโดยมากเขาจะยกสัญญาขึ้นเป็นเป็นหลักเช่นอากาสานัญจาตระเนี่ยนะวินโดยเฉพาะนะเนวสัญญานาสัญญาตรนะณะอะไรเนี่ยนะเขาจะยกสายสัญญานี้ขึ้นเป็นเป็นหลักในพวกเจริญกสิณ น, นี่มีสัญญาเป็นหลักเนี่ยนะสัญญานี้ถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดในการเจริญสายกสิณทั้งหลายเนี่ยนะ มันก็สีเนี่ยนะถ้าฝึกเจริญกสินมาดีเนี่ยนะเห็นอะไรก็เข้ากสินได้ตังเยอะนะเพราะสีหลักๆ ก, ก็เนี่ยอะไรสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยนะพอดูเห็นปั๊บเจริญเข้ากสินได้เล ย, ยนะถ้าถ้าผู้ที่ชํานาญมากนะทนพวกนี้อาศัยทวารตาเป็นเป็นหลักอยู่แล้วในการเจริญกสินเนี่ยนะมันพระองค์จึงแสดง เ, เวลาที่บายรูปเนี่ยนะก็เช่น ความจําในสีเขียวความจําในสีขาวสีแดงสีเนี่ยนะพวกสีทั้งหลายแหละแต่แต่จอย่าํามามาตกวิชาเรื่องสีมาถ้าเห็นนั่นอิดเนี่ยมันสีอะไรเนี่ยตอบไม่ถูกไม่รู้เรียกโวหารชื่อว่ายังไงก็ไม่รู้เห็นเหมือนเขาเนี่นแหละแต่เรียกชื่อไม่ค่อยถูกไม่ใช่ไม่ค่อยถูกมันไม่ถูกเลยหละนะมันออกส้มๆนะนะส้มเลือดเพิ่มนั้นนิดนีดนด้หน่อยโอ้แยกไม่เป็นนะ อที่มันสายสีนะซับซ้อนนี่ตอบไม่ได้สักอย่าง <c oughs> แต่คุณนภาก็สามารถเออเขเรียกพูดนั้นเออนี่ดําแต่ว่าดําแบบอะไรผสมนมอะไรเขก็ว่าไปเขาก็คิดเนียนะสรรหาคําไปคิดได้อ่ะเอะเอเก่งกัน<า>อ่ะนะอมนั่นอมนี่เนี่ออกน้ําตาลเนี่ยนะก็สีดําอะเขาไม่เรียกดําเรียกน้ําตาไปอะไรไปเออมาว่ากันไป ก็แล้วแต่จะออกโวาหารมาเป็นยังไงนะแต่บางคนเขาเขาเขามองแล้วเขาจินตนาการได้ได้ลึกในเรื่องของสีเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยที่หลักๆประธานจริงๆ จ, จะเป็นสัญญาเห็สัญญาแต่สัญญานั้นถ้าพูดแบบขันห่านะนะว่าว่าโดยขันห่านะขันห่ารูปขันอุปมาเหมือนกับโรงพยาบาลถ้าเวทนาขันเหมือนกับ ความใข้สัญญาขันเนี่ยนะเหมือนกับสมุดฐานแอบตัวดีนี่ยนะสมุดฐานแห่งความใข้ส่วนวิญญาณนะยกตัวอย่างเอาเลยว่าวิญญาณวิญญาณคือคนใข้นี่ยนะทั้งคันจําไม่ได้ เป็นคนเอาในียสุที่มักนะสัญญานั้นมีอิทธิพลต่อต่อ ก, การเกิดของกิเลสเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยนะไม่ให้ค่อนมากเลยมากเลยแหละเนี่ยนะเพราะจําหมายในสีต่างๆเอาไว้นั่นแหละกิเลสจึงเกิดเนี่ยนะเป็นปฏิฆานิมิตบ้างสุภาพหนิมิตบ้างปฏิฆานิมิตบ้างก็สัญญานั่นแหละเป็นเป็นเป็นหลักเนี่ยนะเป็นเป็นใหญ่ แต่ว่าสัญญาถ้ากล่าวไปแล้วมีอยู่6อย่างนะรู ป, ปรสัญญาสัทธสัญญาการทสัญญารัศศัญญาโพธภาสัญญาธรรมสัญญาตัวสัญญานี้ถ้ากล่าวโดยจิตมันก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเหมือนกับภาษานั่นแหละเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเหมือนกับภาษาแต่การเห็นแต่ละครั้งหรือการได้ยินแต่ละครั้งเนี่ยนะเราอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณธรรมะสามอย่างประชมกันเป็นภาษาภาษานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมี สัญญาอั น, นอาศัยหูก่อนนะเช่นหูเสียงเกิดโสตะวิญญาณนะนะเป็นปัจจัยแก่ภาษาภาษะเป็นปัจจัยแก่สัญญาสัญญาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งท่านถือว่าเหมือนอะไรเหมือนช่างไม้ช่างไม้นี่ยเขาจะเวลาเขาเขาจะตัดไม้นะเขาจะ ว่าตัดตรงนี้เขาจะขีดเอาไว้ว่าเขาจะตัดตรงนี้หรือจะตัดแฉกตัดยังไงก็ว่ากันไปเนี่ยนะเขาจะขีดเอาไว้เพื่อเพื่อสะดวกในการทํางานครั้งต่อๆไปสัญญาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยนะกิจก็จะคล้ายๆ ก, กับช่างไม้ที่ ท, ที่ทำนิมิตเอาไว้เนี่ยนะกำหนดนิมิตเอาไว้ว่าจะทำอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นต่อตอไปของเราก็เหมือนกับการสมัยก่อ น, อนเขาไม่ค่อยฟังอะไรเขาไม่ค่อยจดใช่ไหมสัญญาเหมือนกับการจดเอาไว้นั่นแหละ เพื่อเพื่อสะดวกต่อการจำต่ อ, ตอไปแต่ทีนี้ตัวสัญญาจะจำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะจะจะจะคิดถึงของเก่าได้หรือไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ของสัญญานะถามว่าหน้าที่ของอะไรหน้าที่ของสติที่จะระลึกได้หรือไม่ได้นะที่จำเอาไว้แล้วนะีคือไอ้ที่จดก็จดไปนะแต่ว่าบางคนจดไปแล้วมันนึกไม่ออกนะ เคยใครเคยเก็บพร้อมไหมเก็บไว้อย่างดีแล้ววันหลังนึกไม่ออกเก็บไว้ตรงไหนแล้วเนี่ยเก็บไว้แล้วนะแต่ว่าไม่รู้เก็บไว้ตรงไหนแต่ถ้าสัญญาแหมมันเกิดร่วมทุกดวงแล้วมันต้องจําได้ทั้งหมดนะในโลกนี้จะไม่มีใครลืมอะไรแม้แต่น้อยเดียวเนี่ยนะแต่ทีนี้ที่ที่มันลืมเพราะมันระลึกไม่ได้เราเคยอ่านในพระไตรปิฎกเจอไหมว่าเขาระลึกไม่ได้เพราะสัญญาเขาไม่ดีเขาจะไม่บอกว่าสัญญาเขาไม่ดีเขาบอกว่าเขาไม่มีสติเนี่ยนะ ในการระลึกถึงของเก่าได้อะไรได้นะยกให้สตินะไม่ได้ยกให้สัญญาเพราะอะไรเพราะว่าขณะไหนมั่งไม่มีสัญญาไม่มีแม้แต่ขณะเดียวที่ไม่มีสัญญาแต่มีสัญญาทุกครั้งแต่มันจําไม่ได้อะเพราะฉะนั้นไอ้ความจําที่เรียกว่าภาษานี้เรียกว่าระลึกเป็นเรื่องของสติแต่ทีนี้สติก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะระลึกที่เกิดพร้อมกับอกุศลเรียกว่ามิจฉาสติถ้าระลึกตรงๆเลยก็เป็น ตัวสติเนี่ยนะ ก, ก็ยกให้ระลึกเนี่ยนะทางสายบาลีเขาจะเรียกว่าสรติเนี่ยนะสติหรือระลึกจะไม่ยกให้ว่าสัญญาเนี่ยนะแต่ถ้าสัญญาจะที่บายพูดเกี่ยวกับเรื่องตอนวิปลาสเนี่ยนะขณะนั้นน่ะสำคัญหมายวิปลาสไป ก็เป็นอย่างนั้นเพราะไรเพราะว่าสัญญามันก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวง อ, ะอ่ะอแล้วทําไมมันจําไม่ได้อะ่ะสมมตินนะพระไตรปิฎกนะอ่านมาทุกคําด้วยนะสมัยพอปิดหนังสือปับ๊บน่าจะจําได้เอาตอนนั้นก็มีสัญญาตอนนี้ก็มีสัญญาอีกแล้วแต่พอนี้พอนึกอะไรไม่ออกอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีสติทางภาษาธรรมะนะเขาเรียกว่าเพราะไม่มีสติที่เลยจำระลึกไม่ได้ เพราะสมัยก่อนเขาจะไม่บอกว่าจาได้หรือจําไม่ได้อันนี้ถ้าเป็นสายต้นเขาตำรับเดิมนะสายบาลีอะแต่สายไทยมันใช้จําอย่างเดียวอะไรเอะมาก็มีแต่จอย่างเดียวแปลไปเป็นภาษาอื่นเขาก็จํานิ่แปลว่าอะไรได้บ้างก็ไม่รู้เพราะคำว่าจําศัพท์เดียวนะโอ้ยกินไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องนะใช้ศัพท์เดียวคาว่าสัญญาเวททตนดสัญญาที่กันเอ่อ สัญญาเวทะยิตะนิโรดนนะสัญญาเวธนาเนยนะเวทะยิตะเนี่ยนะนิโรตนิโรตัวนี้แปลว่าดับดับสัญญาและเวธนาแปลว่าเข้านิโรธสมาบัติดับจิตอันนี้อยากดับสัญญาคือสัญญาที่กล่าวไปเมื่อกสัญญาอันเดียวกันนี่ อันนั้นคือนิโรธสมาบัติเนี่ยเขาใช้กับผู้ที่ดับจิตได้เช่นจะเข้านิโรธสมาบัตินู่นนะพรหันเข้านิโรธสมาบัติพระานาคามีเข้านิโรธสมาบัติคือดับสัญญาที่เก่าดับสัญญาทุกชนิดไม่มีเหลือคือถ้าใครดับสัญญาได้คนนั้นต้องดับจิตได้คนที่ดับสัญญาดับเวทนาได้ต้องดับจิตได้เพราะอะไรเพราะว่าสัญญากับเวทนามันเกิดร่วมกับจิตทุกลวง ไม่มีไม่ ม, ม, มีก็จิตท่านยังไม่มีเลยสติมันก็ร่วมกับจิตเพราะฉะนั้นพระเขาจึงถามว่าคนเข้านิโรธกับคนตายต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าคนตายนอินซีเสียหายผู้เข้านิโรธอินซีผ่องใสคนตายไม่มีชีวิตตินซีผู้เข้านิโรธชีวิตตินซีมีเรียกว่ายังมีอายุคนตายไม่มีไออุ่น เตโชท่าที่เกิดจากกรรมอ่ะนะแต่ผู้เข้านิโรธมีเตโชท่าที่เกิดจากกรรมต่างกันตรงนี้ที่เหลือเหมือนกันหมดเห็นไหมการดับจิตนะนะแต่ทีนี้สัญญาในที่นี้เนี่ยมันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงมันไม่ต่างไอ้ค่ายผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอ่อพวกนี้นะกลุ่มอัญญะสัพพจิตตสาธารณาเจตสิกเจ็ะนะสัญญานี้จะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงหมดเลย แต่ทีนี้เวลาเราระลึกได้ระลึกไม่ได้าาพระซับพระไตาวปิฎกเขาจะไม่ใช้คําว่าจําเขาใช้คําว่าระลึกแต่ถ้าตอนเห็นเช่นนี้รูปสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงสีอะไรทั้งหลายละอันนี้เขาใช้สัญญาอันนี้ขึ้นต้นด้วยสัญญาเป็นอะไรจิตจะระลึกได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสัญญาทําเครื่องหมายไว้ดีดีหรือไม่ดีด้วยไม่ไม่ใช่ไม่แน่เสมอไป มันอยู่ที่อุปนิสัยอื่นๆอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆเพราะสัญญาจะดีหรือไม่ดีมันเพราะมันมันก็ได้มันเท่านั้นจริงๆเนี่ยนะอยู่ที่ว่าตอนเห็นนะเช่นตั้งใจจะจำนะสมมตินะจริงๆอะตั้งใจจะจามไม่ได้เพิ่มสัญญาแต่ไปเพิ่มสติขึ้นไปเพิ่มอธิบดีปัจจัยอื่นๆเนีย่ยนะว่าเช่นปลูกฉันทะาขึ้นมาเนีย่ยหรือวิมังสาว่าอันนี้สาคัญมากนะไปเพิ่มอธิบดี พอพอตรงนี้นะวันหลังมาคิดระลึกเรียกว่าระลึกที่ภาษาไทยใช้คำว่าจำพอพอให้กาหนดหมายไว้ว่าย้าบ่อยๆด้วยอำนาจฉันทะพิมังสาหรืออะไรก็ตามที่ที่ทำไว้ตอนนั้นเนี่ยนะพอตอนหลังมาปับ๊บวิต ก, กะถึงได้เลยวิต ก, กะหรือหรือระลึกถึงสิ่งนี้ได้เลยอันนี้ไม่ใช่งานของสัญญา แต่เป็นงานของงานของอสติหรือวิตกกะเป็นต้นเนี่ยนะ ท, ที่จะจัไปตัวหวน ล, ลึกถึงเพราะว่าสัญญาเนี่ยนะมันก็เท่ากับจิตเห็นนะไม่ได้ต่างอะไรกันมันเกิดร่วมกันนะ่ะนะถ้าเห็นเท่าไหรมันก็สัญญามันก็เท่านั้นนะ่ะเห็นชัดหรือไม่ชัดสัญญามันก็ได้เท่านั้นจริงๆนะอันนี้นี้เราพูดถึงการใช้ศัพท์ก่อนนะว่าการใช้ศัพท์สมัยก่อนโดยเฉพาะสัพท์แบบในพระไตรปิฎกท่านใช้คําว่าระลึกได้ หรือระลึกไม่ได้ท่านจะไม่ใช้คําว่าจําได้หรือไม่ได้ท่านจะไม่แปลว่าโอ้สัญข้าพเจ้าสัญญาไม่ได้เลยเนี่ยนะกันจะไม่มีนะผู้ ก, การเคยอ่านเจอไหมในะพระไตรปิฎกเนี่ยนะว่าพิกไปถามว่าเช่นในในพัฒกลุ่มพระนเทก ร, รัตตสูตรมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เทวดาเขาคุยกันนะท่านท่านระลึกได้ไหมท่านนึกได้ไหมเขาจะไม่บอกว่าท่านจําได้ไหมอย่างเงี้ยนะเว้นไว้แต่คนแปลตั้งใจให้มาแปลเป็นจำมาเลยโดยที่เรียกว่าสัญญาได้ไหม เรามาสัญญากันนะอะไรแบบนี้นะในในภาษาธรรมะจะไม่มี น, นนี้แสดงว่าคาว่าสามารถสติกับสติปกติเนี่ยก็ต่างกันนะเพราะว่าสติถ้าท่านท่านจได้ไมคืออาจจะจาสีเก็ติดก็ได้นะว่าถ้าเป็นสาถสติก็ต้องไป า, ใใก า, ยยา ก, กายนาเวถ้าเป็นภาษาธรรมะเนี่ยนะครับภาษาพระไตรปิฎกเลยนะถึงจะอะไรก็ใช้คำว่าสติหมด สังเกตดูจากบทสวดปริวัติเอกจังสัญญาชานาติอะไรงี้ยไม่มีมีแต่ว่าเอกจังสติเอกจังนั้นสติบางอย่างเข้าพระเจ้าระลึกได้บางอย่างเข้าพระเจ้าระลึกไม่ได้เนี่ยนะบางอย่างระลึกได้ก็มีบางอย่างระลึกไม่ได้ก็มีบางอย่างรู้ที่สุดราตรีบางอย่างไม่รู้ที่สุดราตรีเนี่ย น, น ะ, นะนะก็จากจากคนละอย่างจะไม่ใช้คําว่าสัญญาเลยอันนี้พูดในภาษาพระไตรปิฎกนะครับแต่ถ้าภาษาไทยไทยเราก็มันมีอยู่ไม่กี่คําอยู่แล้วภาษาไทยอะ ก็คือกลุ่มที่รู้คือกลุ่มที่เจริญกะสินเช่นถ้าถ้าคนเจริญกะสินสีขาวนะจังเขาเห็นฝาสีขาวเขาเข้ากระสินได้เลยเพราะว่าสัญญามันมันท่านท่านคือเจริญสัญญาอันนี้เอาไว้นะารับเลยเห็นสีขาวเข้าฌานเลยเห็นสีน้ำเงินเข้าฌานเลยนี่ักะสินเนี่ยนะนีลักะสินถ้าบอกว่านี่ลักะสินเหมือนอะไรเหมือนดอกผักตบอ่ะนะมันก็จะไม่ออกดาปีเลยใช่ไหม มันก็จะไม่ออกเขียวแบบใบไม้ทั่วไปมันบอกว่าเหมือนดอกผักตบะนะนีล่านะนีล่าเหมือนดอกผักตบว่างั้นก็แสดงว่ามันออกน้ําเงินหน่อยแค่นั้นคนาะว่าสีเขียวนี่หมายถึงมันจะออกน้ําเงินหน่อยว่าดอกผักตบมันจะคล้ายๆแบบเนี้ยอันนี้ม่วงอนะน้ําเงินะนะนอ่ดอกผักตบออกม่วงใช่ไหมเชิญปานนั่นแหละดังว่าสัญญาผิดได้วกว่าแบบนี้ต้องเอามา เทียบกันชัดชัดตาบอสีขาวเป็นขาวาแล้วไม่งามจะไปเห็นว่างามมันมรรวิปลาสอ๋อนั้นอ๋อนั้นนั้นวิปลาสเพราะคาวิปลาสอาจจกสัญญาก็ได้จิตก็ได้ทิฏฐิก็ได้แต่ว่าถ้าจิตไม่วิปลาสสัญญาก็ต้องวิปลาสก็มันเกิดด้วยกันน่ะเนี่ยมันอยู่ด้วยกันจริงๆขณะไในที่จิตวิปลาสขณะนั้นสัญญาก็ต้องวิปลาสด้วยอยู่แล้วแต่อาจจะไม่มีทิฏฐิวิปลาสตรงนั้นก็ได้ ก็เลยกลายเป็นว่าสัญญานี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาคือคือถ้าเข้าใจเรื่องอุปนิสัยนยคือถ้าอธิบายสัญญาแบบภาษาไทยไทยเราเนี่ยมันจะเข้าใจไม่ยากแต่มันจะขัดกับหลักปฎฐานฟังดูมันขัดกันไปหมดสมมตินะถ้าบอกว่าโอ้สัญญามันเก็บหมดเลยแล้วแล้วสัญญาตัวหลังมันจำได้หมดเลยถ้าอย่างนี้มันก็ระบบคอมพิวเตอร์ เพราั้ถ้าเก็บบันทึกแล้วมันต้องเปิดคนมาได้ใช่ไหมมันต้องค้นมาได้อะมันเก็บไว้ตรงไหนมันต้องดึงออกมาคืนได้แต่นี่มันไม่ใช่อ่ะบางอย่างนะตั้งใจซะอย่างดีเลยมันระลึกไม่ได้จําไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นนะเรียกว่าระลึกไม่ได้เนี่ยนะแล้วแล้วถ้าถ้าคิดลึกๆมันจะขัดกันแต่ถ้าไม่คิดอะไรเลยมันจะไม่ขัดกันถ้าใช้คําว่าจํำนะสัญญาถ้าแปลว่าจําเนี่ยถ้าถ้าคิดธรรมดาทั่วๆไป โดยที่ไม่เอาความรู้เรื่องปัตทานเรื่องอภิปัจจัย24มาวัดนะมันก็จะไม่ไม่ไม่มีอะไรแต่ถ้าเอาปัจจัย24มาวัดปั๊บมันจะเริ่มขัดกันแล้วถ้ามันจําได้มันก็น่าจะจําได้ทั้งหมดเนี่ยนะเพราะเพราะตอนนั้นก็มีสัญญาเอาไว้ทุกเรื่องกันไ้มเพราะฉะั้นเราอ่านพระไตรปิฎกนี่อ่านทั้งวันเนี่ยสัญญามันก็เกิดทั้งวันอยู่แล้วแล้วทำไมปิดคัมภีร์มันต้องจําได้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องกรอกลับได้ทั้งหมดเพราะสัญญามันมีอยู่ตลอดแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไะ พออเพราะสัญญาไม่ดีเอาสัญญามันก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงอยู่แล้วนะแต่เขาจะไม่ยกให้กลุ่มสัญญาเขาจะยกให้สติเนี่ยนะจะยกให้สติก็อาจจะเป็นได้ก็จะใช้อะไรก็ช่างเถอะถ้ารู้ว่านี่ขาวนี้เขียวนี้เหลืองนี้ดํานี้แดงนี้น้ำเงินนี่แสดนี้อะไรพวกเนี้ยนะเนี่ยแหละเรียกว่าคือสัญญาละเอา อันนั้นจะใช้สับอะไรให้มันให้มันตรงสภาวะใจเราก็เอ า, าอันนั้นมานาสิกา ร, ร, ก, ารก็ไม่ใช่สติ ก, ก็ไม่ใช่ ก, ใชก็เจตนาด้วยแต่ทีนี้เรากำลังพูดสัญญาไงว่าสัญญาถ้าเจตนามันจะไปพูดถึงสังขารขันถ้าสังขารขันจะยกให้เจตนาเพราะเจตนาปรุงแต่งขันห้า แต่ถ้าสัญญาจะพูดถึงเนี่ยสัญญาในสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงเสร็จ แ, แล้วพูดถามมาอนุภาพของสัญญาเนี่ยถึงระดับไหนถึงระดับฌานสัญญานีผู้ที่เจริญฌานทั้งหลายเนี่ยผู้นี้สัญญาเป็นหลักอะจะจำในสีเพราะว่าผู้ที่เจริญฌานโดยมากมันเจริญสีนะโดยเฉพาะสายกสิณ น, น, นึกถึงสีทั้งนั้นเลยจำในสีถ้าคนจําสีไม่ได้เจริญกสิณไม่ได้ ถ้าหรือถ้าจำแล้วเอาสีอื่นมาแทรกมาซับซ้อนเข้าก็ะกกสินมันก็เข้าไม่ได้ไมันต้องสีสีเดียวแล้วก็ด้วยยาวเนี่ยนะอยู่อย่างนั้นได้ยาววิต ก, กะในสีนั้นสัญญาในสีนั้นวิต ก, กะในสีนั้นได้นานๆพวกนี้จึงจะทำชานได้สัญญาไม่เที่ยงก็คือไอตั ว, ต, วตัวสัญญาเองเนี่ยอาศัยภาษาเกิดใช่ไหมถ้าไม่มีภาษาก็ไม่มีสัญญา สัญญาต้องอาศัยภาษะเนี่ยนะสัญญาเนี่ยไม่เที่ยงเพราะถ้าไม่มีภาษาสัญญาก็ไม่มีเนี่ยนะก็เหมือนกับเวทนานั่นเองไม่ใช่สัญญาไม่เที่ยงคือจำไม่ได้นะไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หมายอย่างนี้แปลกรมชาแปลกมีแต่ว่าไม่ค่อยไม่รู้ด้วยใช่คือคือไม่ได้มนสิการไงแต่ ผู้ที่ที่อย่างที่กล่าวว่าผู้ที่เจริญสายกระสินนะจะยกให้เรื่องสัญญาเป็นหลักพวกสายชาทั้งหลายเนี่ยพวกสายชาสายกสินพวกนี้จะยกสัญญาเป็นหลักเงาตาแล้วพยายามเลืถึงสีสีแดงนี่นะสีแดงค่อยเห็นขึ้นมาเหมืนก็ค่อยๆเจริญแต่ว่าก็ดูว่าจุดประสงค์เพื่อจะระงับนิวรณ์ไหมผู้ที่เจริญชาเนี่ก็คือสายใจในสีเพื่อที่จะระงับนิวรณ์นั่นนะแล้วก็ ให้อยู่กับสีอย่างเดียวแล้วก็ขณะที่ลืมตาเนี่ยเห็นสีแดงอยู่หลับตาก็ต้องเห็นสีแดงหลัตาก็ก็ต้องแดงอันนั้นจำเอาไว่อวต้องจําไว้เพื่ะสํานวน ว, ว่าภาพสีแดงหลับตาลืมตาต้องเหมือนกันหมดอาการทําได้อย่างนี้เรียกว่าอุกหานิมิตเนี่ย น, นะอุกหานิมิตทีนี้อุกหานิมิตอันนี้ก็เริ่มเริ่มขยายเริ่มย่อเริ่มขยายเริ่มย่อเริ่มขยายเริ่มย่อจนมันชัดก็เปลี่ยนไปเป็น ปติภาคณิมิตเนี่ยนะพอย่อดได้ขยายได้อย่างที่ต้องการหมดเลยเนี่ยนะก็ทําจิตให้มันเข้าได้ฌานในในภาพอันนั้นให้ได้สงบระ ง, งับประกอบไปด้วยองค์หได้อันนั้นก็เป็นฌานทีนี้พิจารณาองค์ฌานแล้วก็ระ ง, งับไอตัวองค์ฌานไปเรื่อยฌานก็จะเป็นฌานชั้นสูงต่อไปเนี่ยนะไม่มีเอตทักข่วว่าสัญญาเป็นเลิศไม่มีมีแต่ท่าน เอตทัคคะด้านสติเ <Thank you. S 1> นี่ยนเจนบาลแต่ถ้าพวกสัญญาวัตตะสัญญาวิวัตตะพวกกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มพระพระจุลบรรทกกับพี่ชายท่านนะนะมหาบรรทกกกลุ่มนี้จะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเพราะท่านเหล่านั้นเข้าเกี่ยวกับเรื่องฌานเป็นผู้เลิศด้านสายฌานเนี่ยนะนะพวกนั้นจะเกี่ยวกับชื่อมีสัญญาเข้ามาแต่ถ้าธรรมดา ท, ทั่วไปก็เป็นเรื่องของสติเป็นต้น นั้นสัญญาคืออะไรบอกสัญญาคือความสําคัญมาแต่เราแปลว่าจําก็ได้นะจําในสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงอ่ะนะพวกกลุ่มนี้แหละแล้วถามว่าความเกิดแห่งสัญญาเนี่ยเกิดได้ยังไงเพราะภาษะเกิดสัญญาจึงเกิดเห็นไหมเพราะฉนั้นปัจจัยเฉพาะใกล้ๆหน่อยก็ภาษะแต่ถ้าไกลขึ้นอีกหน่อยก็กรรมอวิชาและ ตัหาแต่สัญญาเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อต่อตันหาเนนะต่อต่อตันหานะเพราะว่าสำคัญหมายในสีนั้นด้วยวิปลาสเนี่ยนะพอเห็นสีแบบนั้นในตอนหลังโลภะก็ก็เกิดเลยอ่ะเนี่ยนะนะอกุศลทั้งหลายก็เกิดเลยเนี่ยนะ ถ้าสัญญานี้เขาก็แบ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปฏิฆาสัญญากลุ่มปฏิฆาสัญญาก็คือสัญญาที่เกิดจากการกระทบกันในทวารทวาร5นะทวารตามองเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิฆาสัญญาทางตาเนี่ยนะต้องอาศัยวัตถุ ก, กับอารมณ์กระทบกันกลุ่มปฏิฆาสัญญาจะเกิดขึ้นส่วนกลุ่มนานัตตาสัญญาก็พวกความคิดทั้งหลายเนี่ยนะสัญญาเขาก็แบ่งอีกอีกหลายชื่อหลายกลุ่มด้วยกัน แต่ตรงนี้ก็เอาเฉพาะสัญญาหกคือรูปประสัญญาสัทธสัญญาคันธาสัญญารัสัรญาโพธภาพสัญญาธรรมสัญญาแต่ที่พระองค์เน้นมาให้เห็นชัดเจนเลยก็คือว่าสัญญาในสีต่างๆนั่นแหละอธิบายตัวสัญญานะค่อยๆเอาเช่นสัญญาในสีขาวสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นนะมาค่อยๆคิดไปเนี่ยแนวเนี่ยเรียกว่าสัญญาสัญญานี้จะยกให้ทวารตาส่วน วิญญาณให้เด่นชัดคือทวารลิ้นทวารลิ้นนะวิญญาณจะเด่นชัดเช่นสมมติฟังเสียงโทรศัพท์เรารู้เลยคือคือเรามีสัญญาณในเสียงมั้ยเรารู้เลยว่าอเสียงทุกการ น, นันอ๋ออันนี้เป็นเป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของอย่างอื่นไปแล้ว แต่คืออย่างนั้นก็กลุ่มมิจฉาสตินะกลุ่มมิจฉาสติก็คือกลุ่มมิตกกลุ่มอย่างอื่นแดนน่นก็ ก, ก, ก็ภาษาพระสูตรก็ยังใช้คำว่ามิจฉาสติอยู่เอ่อธรรมสัญญาก็เช่นจำชื่อนะสำคัญหมายในชื่อในในบัญญัติทั้งหลายแหละ แต่อย่าลืมว่าสัญญาไม่ใช่เป็นตัวลักษณะคิดมาปรุงแต่งเป็นทั้งหลายแหล่นนี้ไม่ใช่กิจของสัญญานะกิจทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นเลยสัญญาก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับมาร์กไว้มาร์กไว้มาร์กไว้เท่านั้นเองเอ่ะนะกิจที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนั้นจะทําเท่านั้นจริงๆอ่ะนะแต่ไปปรุงแล้วซับซ้อนมาคิดสับหน้าสับหลังพวกนี้จะไม่ใช่กิจของสัญญาเนี่ยนะพวกนั้นเป็นกิจของวิต ก, กะเป็นต้นเนี่ยนะ ที่ที่เป็นสังขารขันทั้งนั้นเลยนะที่ที่มาเป็นเชื่อมมาเป็นตรึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันวุ่นวายไปหมดเลยนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสังขารขันทั้งนั้นใช่ไหมได้หรือยังครับเหลือนาทีเ้กัเดขามตามพระโพธิสัตว์นะตาอื่นอยู่ตรงที่สามารถจะมีระลึกถึงธรรมสัญญาได้กปตัสักี ก็อย่างนั้นก็เรียกสติเอ า, อางี้นะว่าปุเพนิวาสานุสติยานจำไม่ยกให้สัญญานะใช้คําว่าเช่นอนุสรณายา น, นี่นะคนที่ระลึกชาติได้นะจำไม่ใช่ว่าสัญญาได้ในชาติก่อนเนี่ยนะไม่เรียกว่าอนุสรณญาย า, ยานที่ระลึกได้ระลึกเช่นคนที่ด้วยบุญบางอย่างนั่นนำเกิดเนี่ยทําให้เกิดมาระลึกชาติได้เลยนะแต่ภาษาไทยเราก็มาใช้คําว่าจําชาติกําเนิดตัวเองได้อันนี้ไม่ใช้คําว่า อย่างเช่นนะเรามานั่งตรงนี้นะแล้วเราค่อยๆถอยหลังไปว่าละลึกค่อยๆละลึกละลอันนี้เขาไม่เรียกว่าค่อยๆจําขึ้นจาขึ้นไม่ใช่อย่างนี้เขาจะเรียกว่าค่อยๆละลึกขึ้นเป็นเรื่องของสังขารขันไม่ใช่สัญญาขันเพราะสัญญาขันมันก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงยเหมือนภาษะเหมือนเวทนาทั้งนั้นอาจารย์เคยบ่านหทุกสิบกองที่มีอยู่จะรับปัสาวะหนาร้อนอะไรเนี่ย ทุกสิบกองเคยผ่านตาไหมครับผมจำไม่ได้มันมีอะไรบ้างอาจารย์ได้ด้างนะครับทุกสิบกองที่มีปวดจันทบปวดปัจวาวอะไรนี่เป็นทุกมันมีสิบอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกสิบกองเคยผ่านตาไหครับคนใโลกผืนในโลกทุก อ, อืมความทุกข์ของของคนค น, คนทุกผืนจกหน้านะครับ ก็มีในหลักสูตรนักธรรมที่เขาจัดเป็นทุกโดยอย่างต่างต่านะในนักธรรมอ่ะอาจารย์จำไม่ได้มีอยู่ในนักธรรมอ่ะคือการการกําหนดตัวเลขบางอย่างเนี่ยนะต้องดูว่าใครเป็นคนกําหนดขึ้นเนีย่ยนะทีนี้อย่างที่คุณว่าเนะี่ยคื อ, ค, อคือไม่ใช่ในพระไตรปิฎกกาหนดเนี่ยนะเพราะคำว่าทุกในภาษาธรรมะก็จะแบ่งเป็นทุกขเช่นกายิกทุกเจตสิกทุกสังขารทุกวิปริณามะทุกอย่างเงี้ยนะหรือ <c oughs> ชาติทุกชราทุกพยาที่ทุกมรณะทุกสโสกะปริเทวะทุกอะไรก็จะเรียกทุกในหนึ่งจะเรียกคนละกลุ่มกันอย่างเช่นทุกนิพพัทธะก็คือเนืองนิดทุกทุกประจาทุกไม่ประจาอะไรเนี่ยเาก็จะแบ่งบ่งไปตามนั้ น, น, น, นก็ไม่เคยผ่านก็ไม่เคยผ่านใช่ว่าไม่เคยดีกว่าผมก็จำไม่ได้มันอยู่ในหนัง<ม>สือเล่มก็นั่น<ม>แหละจำไม่ได้มไม่เคยออกถ<ม>าม็อนะครับ ขอ2เธนา9กมีอะไรบ้างครับเบญธนาครับยังไม่ได้ม่เก้ไงม่อกงไม่มีเบธนา6กีครับสัตว์ต่างๆ้านรักความรู้ข้าธรรมะไ็เก็9ก็คือสุขทุกอุเบกขาใช่ไมสามเลยสามใช่สุขก็แบ่งออกเป็น2มีมิตรไม่มีมิตร ทกุก็แบ่งออกเป็น2 อ, อมีมิตไม่มีมิตอุเบ้าก็แบ่งออกเป็น2ก็เป็น6เพิ่มอีกระ3ก่อนเป็น9